สิ่งกอุสรวัตรนนรานั้นดีคําว่าไม่ต้าปฏิบัติได้แปลว่าไม่ปฏิบัติยาจงใจจิตใจของเรามันไปทาอะไรเนี่ยเราคอยรู้ทันมันไม่ได้แปลว่าไม่ปฏิบัตินรอกช่วงนั้นนี่จำได้ไหมว่าจิตเป็นยังไงคือว่ามไร ใช่สนะิจำได้ม่มว่าทำแบบไหนคือดีอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็กลับไปทำตำบรรทายิงหลายอาจารย์ยุคยังแก้ไม่อดจะเจมสุดอรอครึไทีแล้ ว, วไ โยยังไปหาแกบ้างก็ไปเจอที่สาลังชินไว้ไปแต่วที่ปรกเวณีไปดูพูดก็มีอาจารย์เยอะๆนะโอ้โหน้าที่เราเนี่ยทำยังไงเรจะดูทันสภาวะา นะให้จิตของเราแอบไปทำไรที่ไหนถ้าเรารู้ทันแค่นั้นก็พออยู่ลองก็ได้ลองนี่เราแค่งใส่ว่าไม่มือเลยเพ่งเพ่งเอาหัวไม่มืออันเดียวจิตไปอยู่ที่หัวไม่มือ รู้สึกไ้ยรู้สึกไห ม, ก, ไหมการปฏิบัติเนี่ยเราใช้ความรู้สึกในการเพ่งไม่ใช่ตัวสำคัญตัวสำคัญคือการรู้สึกจิตของเราไปอยู่ที่ไหนโยคอยรู้สึก เดินไม่กางหลังเดินทรกลมนั่งสมาธิต้องทำทำไปไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่เดินเดินยังไงตอนเดินตรงกรมเดินแบบหนึ่งตอนเดินมาที่สละนี่เดินอีกแบบนึงหรือเปล่าโยนความตั้งใจโยนความตั้งใจทิ้งไปเราก็รู้สึกตัวไปแต่ตอนเดินมาเนี้ย ลืมเลยไห ม, มเดินศาสลายยังเห็นความแตกของการเดินสองอย่างนี้ไหมตานเดินจงกลมเนี่ยทำแข็งๆไว้ใช่ไหมทำใจทือๆแต่ตอนนี้ปล่อยเลยเดิน ม, มาดูนกดูไม้อะไรก็ได้ลืมๆมันไปเลยเนี่ยคือความสุดตรงสองฝั่งสองข้างอันนี้คือการกดข่มใจ น, นี่คือการปล่อยใจให้หีไปเที่ยวไอ้ที่ตรงกลางมี ก็คือพอโยมที่รู้ว่าเท่นพอเริ่มเดินจงกรมนึกใจอึดอัดไหมอึือัรู้ว่าอึอรีบรู้ทันเลบรู้สึ ก, สกเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยถามว่าจิตใจเปลี่ยนเฉพาะเดินจงกรมหรือเปล่าบางอื่งเปลี่ยนไหมมัเปลี่ยนทั้งหมันรูน้รึไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่การจะทำใจให้นิ่ง มีในอารมณ์เันเดียวแต่จิตใจของเราเป็นยังไง ร, รู้ไม่ไปเลยแล้วมันเปลี่ยนแปล ง, ปลงทั้งวันตอนนี้มันก็คิดแล้วใช่ไหมมันลืมตัวสัเกตไหมตอนที่มันจปคิดเนี่ยมันลืมรู้สึกตัวพยายามสังเกตเล็กๆของลอมลอง ตกลงแล้วมันจะทำไม่ได้ตกลยจะทำไม่ได้เหมือนที่สุรวัตบอกทำไม่ได้แต่รู้สึกเนาะทำไมเราจะโยนคำว่าทจทิงไปให้ได้เราปติดคำว่าปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าทําคือถ้าเมื่อไหร่จริตใจของเราเกิดการจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินจากการรู้เนี่ยนะผิดละอย่างตอนนี้โยนทําอะไร คิดคิดใช่ไคิดโยรู้ว่าคิดคิดไม่ใช่รู้นะไม่ต้องไปคิดนะว่าคิดไม่ใช่รู้แต่พอยโยคิดโยก็รู้ทันว่าแอบเป็นคิดแล้วพยายามสังเกตรู้ไหมพยายามสังเกตไม่ใช่รู้เป็นการกระทําอีกอย่างหนึง่งเป็นกริยาอยีกชนิดหนึ่งสงสัยรู้ไหมสงสัยก็ไม่ใช่รู้อีกม ถามว่าเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติไม่ได้แต่รู้สึกเอารู้สึกลงไปทีลัะพนาทีลักษณะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันตอนนี้สังเกตุไหมเห็นไหมมีกิริยาคือสังเกตนี้เวฟคือสังเกตไม่ใช่รู้เห็นไหมมันแอ บ, บไปสังเกตแว๊บหนึ่งดออกไหมเนี่ยให้รู้ทันแบบนี้นี่เรียกว่าปฏิบัติ เวลาไม่ชอบเลยมอนลืมตัวนี้นนนก็คือเผลอไปเลยนะเดอเผลอมี2แบบใหญ่ๆเป็นเจ้ ง, นน ง, งเาางนาะแต่นิ่งๆคางไว้ระวังนะเอ็งเช่นใจนิ่งๆรู้สึกดีดีนิ่งทุวันยา ล, ลืมก็เผลอไปเผลอไปคิดโน้นคิดนี่แล้วลืมตัวเองไปาเนถ้า เ, เดินติไ่เป็นรแต่ว่าพอจ ข้าวที่กระตุ้นึ้มานิดหนึ่งมันก็หนักขึ้นแล้วทำไมมันหนักอ่ะมันมีหรือความโลภเกิดขึ้นมันอยากปฏิบัติความอยากอยูตัวสมุนทยัยไม่ว่าจะอยากอะไรก็ต้องทุกข์แล้วดูงห ม, มธรรมะต้อแสดงให้เราดูว่าเ้ยเองอยากปฏิบัติเองทุกข์แล้วแล้วจะดูดูว่าอะไรกําลังปรากฏเดนี่ยไม่ตนะ้องไปตระตุ ไม่จอเโจงอย่าไปจอเจจงในเราลุกขึ้นเดินตกๆตรงตรงนีน้ก็คือเป็นเห็นหมัย้ยโย่อยู่ก่อนโย่ยเดินนี่โย่ไม่รู้สึกตัวรู้ไหมที่จะเดินไปตรงนั้นอ่ะจะรอว่าตรงนั้นแล้วใครรู้สึกนะมีคนดูมากมายเลยรู้ไหมเออ เรารู้ไมอายืนเกินยืนเกินถ้เาเดินกลับแบบนี้ได้ถ้ก เ, เดินมานั่งนั่งได้ลลแล้วเลยวะฝพอละเลยแค่นั้นฝ่าละโยสังเกตไม่ตรงที่เดินมาบนี้ในใจไม่มีน้ำหนักแต่เดินตรนั้นมีน้ำหนักน่ของเก๋เนอเราไปปรุงแต่งขึ้นมา แต่หน้าที่ของโยกการปฏิบัติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทำให้ไม่มีน้ำหนักหรือเ่าไม่ใช่นะอยู่ตรงที่ว่ามันหนักขึ้นมารู้ว่ามันหนักเดินมาทางนี้ไม่ได้เจตนาจะเดินไม่ได้อยากจะเดินไม่ได้ตั้งใจจะเดินไม่มีน้ำหนักรู้ว่าไม่มีน้ำหนักอยากจะปฏิบัติหนัก ท, ทันทีนนะเพราะว่าตาาัณหาเกิดรู้ที่มันหนักรู้ว่ามันหนักรู้ที่มันเบาไม่ใช่ไปทาให้มันหนักหรือไปทาให้มันเบา แล้วรู้สึกเอาตอนนย้ใจรู้สึกเป็นยังไงรูนะ้สึกเบารู้สึกหนักนะเป็นสุขเป็นทุกข์ี่ดูแค่นี้นก็พอแล้วรู้สึกเอาไม่ใช่ทามอานะเห็นไหว่าเดินไปนี่นะเดินปล่อยสเปสะปะลืมตัวนี่ก็คือไม่ได้ปฏิบัติพอลงมือเดินตั้งใจปฏิบัติ ดัดแปลงจิตใจของเราให้มันแข็งแข็งทื่อทืขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงนิยมยงย่องวันนี้ได้ปฏิบัติจริงเรากํา ล, งลงังหลงกลุงแต่งแล้วจิตใจของเรากําลังได้รับความทุกข์เกิดจากปัญหาของเราเองอยากปฏิบัตินะแล้ว่าอยากจะเลยใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเราไม่ได้เห็นตัวธรรมะเนี่ยเราคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลไกลก็สิ อ, อย่างนั้นไหมธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งก้มลุก ที่อยู่ไกลไกลต้องทำไปอย่ีงนานๆอย่า ง, ง น, นี้เจอไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ตัวแสบอยู่ธรรมะไม่ใช่อะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลไกลธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตา แ, แล้วถ้าโยไม่เห็นธรรมะในบรรจุบันโยก็ไม่เห็น น, นานานพุทธธรรมะรู้ได้แต่ทำเอาไม่ได้อย่างร่างกายของเราเนี้ยเป็นตัวธรรมะหนึ่งป็นรูปแร่ ท, ทำโยทํามันได้ไหม อย่างเราปั้นให้มันหลออ่อแบบนี้ทําไม่ได้ใจหล่าใจทําให้มันมีความสุขตลอดได้ไหมทำไม่ไดแ้แต่เรารู้ได้เพราะฉะนั้นาการปฏิบัตินี้ทม่ทำอะไรเชื่อจาะช่วยบอกว่าไม่ต้องปฏิบัตอิอย่าไปตัดแปลงอย่าไปตอแปลงอย่างาเมื่อกี้เริ่มโด่งงูงเดินเนี่ยเริ่มปฏิบัติ จิตใจที่เราจะเดินทุกก้าวที่เราเดินเราเดินรู้สึกตัวจิตใจเป็นสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์เฉยเยรู้ว่าเฉยเฉยเดินไปแล้วไปคิดถึงแฟนใส่ชอบมีความรักเกิดขึ้นรู right ้ว่ารักเดินไปแล้วไปคิดถึงไอ้คนที่มาจีบแฟนเราใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้เฉยเฉยรู้ไปเลยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปทําอะไรขึ้นมา ว่าไงเคลื่อนเว้นฟังสงสัยรู้ว่าสงสัยนะสงสัยว่าถ้าเรานเดินไปเรารู้ว่าเราควรจะหยุดวมันหยุดแล้วเห็เกตุไห ม, ม, หหไหมตอนที่กำลังใจรอยเบื่อเบื่อยู่สมมติเบไปสามชั่วโมงเรารู้ภายในว่าห้าวเ ห, ห, หลือไปแล้วเนี่มันหยุดไปแล้วนม่นไม่ต้องมนานั้งถามว่าเอ๊ะควรจะหยุดหรือควรจะคิดต่อ อย่างสงสัยใช่ไหตอนนี้สงสัยแล้วรความสงสัยวเราอย่าไปคิดเอานี่แอไปคิดอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้รู้สึกเอาคิดเอาใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกเอาตอนรู้สึกเราได้ในหมดคำถามเ่ยทําไมหมดคําถามล่ะเพราะเมื่อไรรู้สึกได้ไม่ได้ต้องปฏิบัติแล้วเมื่อไรลืมรู้สึก เพ่งเราคิดเอามันเลยก็หลกไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่มีคําถามเลยว่าเผลออยู่เกิดรู้ตัวขึ้นมาแล้วใจจะปล่อยให้ใจคิดต่อไหมอะไรเงี้ยมันจะไม่มีคําถามอย่างนี้เราจะรู้ว่าขณะที่เผลอจิตเป็นอกุศลไปแล้วขณะที่รู้ว่าเผลอจิตเกิดอกุศลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เผลอฟั้งใหม่เผลอคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนี่เผลออีกครั้งหนึ่งนะ เกิดรอบใหม่เราก็รู้ทันว่าอ้าวเสือบีบแล้วเกิดสงสยัยว่าจะทำยังไงดีรู้ว่าสงสัยนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ไปเรื่อยๆอะไรตารากรึงในปัจจุ บ, บนันรู้อยู่นั้นเลยโยทำอลลีกแล้วรู้แหมทำอะไรทำอะไรไหนลองบอกมีเวิร์มตัวไหนบ้นางหรือทำแล้วมันแข็งแ็งรู้ไหม เคยไปทำอะไรนะมันถึงแข็งแข็งขึ้นมา <c oughs> มันเคยชินมันทำไปด้วยความเคยชินแล้วชินว่าอย่างนี้เรื่องปฏิบัติมัน <c oughs> ติดนั่นแหละใจตอนนี้กับ ใ, ใจตอนที่เลิกเดินสงกลมมันมเหมือกันรู้สึกไมตอนที่เดินมานเนี้ยไม่มีน้ําหนักตอนนี้มีน้ําหนักรูออกไหม มีน้ำหนักก็รูว้ว่านหนักเห็นเป้งแล้วไม่ใช่รู้รู้ไหมว่าเียงเจ้าทีมหันใหญ่ถามไรถามซามาไกลอย่านี้คนมาจะหนใหญ่แต่คนเป็นกลุ่มวัง <c oughs> มีคนเป็นไขวัด เห i นไหมโ t นั่งใกล้ๆดีแล้วนั่งใกล้ๆมาได้ยินนิดๆเยอะนิดนึงเลยอย่างทำอะไรนึกทำอะไรโยทำอะไรเมื่อกี้นี่บอกถูกไหมโยทำอะไร ต้องลไปดูมันจะเป็นตลอดมันเคยตัวเดี๋ยวมันเคยตอนเราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดมนุษย์มนาเช่นทำใจให้ทื่อๆหรือไครหลาก็เฉยรู้สึกภูมิใจมากเลยไครดลาก็เฉยใครชมก็เฉยรู้ดีฉันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอนนี้ถึงขั้นไม่รู้ร้อนรหนาวแล้ว มันอัาตัวเองเข้ามารูออกไหมรู้ให้ทันตั้งแต่เริ่มหัานเลยถ้ารู้ทันแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปแก้นะอย่าอยากแก้นะอยากแก้ทีเดียเริ่มเพ่งรู้ไหมเธออ่ารู้สภาวะนะรู้สภาวะไม่ได้คือปฏิบัติไม่เป็น แม้แต่สมรรถะไงดรทำอะไรแลร่านนานยังพยายามชื่นใจจริงๆว่าถ้ามีค่เห็นและ่วเห็นเห็นเนี่ยะไม่ต้องพยายามแยกกันนะแยกมันแยกของมันเองกลัมันจะไปมมันจมรู้ไหมเวลามันจมอย่างนี้ดูออกไหมเวลามันไหลไม่รวมแคนรู้ไหม เออบางทีมันก็แยกกันรู้ออกไหมเออมันรวมก็รู้มันแยกก็รู้ไม่ทําอะไรไม่ใช่ว่าห้ามรวมไม่ใช่ว่าต้องแยกนะไม่มีคําว่าห้ามกับคาว่าต้องพูดบ่อยๆคำนี้โยนทำไรรู้ไหมรู้อย่างเออนั่นแหละเรียกว่ารู้เข้าใจไหมรู้ทันสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติ แต่การที่ทำใจให้ชื่อชื่อีไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหรอกปฏิบัติอย่างอื่นเช่นปฏิบัติโยคะรู้ไม่เริ่มเริชำเนเืองแวะแวะลงไปรู้ทันตรงที่เราแอ บ, บไปทำตรงนี้นะนั่นเรียกว่าปฏิบัติแล้วถ้ายากช่วยไปูเรื่อ ง, น, งนะครื่นี้ต้องอัดเป็นพิเศษเรียน ม, มาหลายปีแล้ว ในรุ่นเดียวกันก็รู้เรื่องหมดเลย <c oughs> ถ้าโยนะี่มันใจเด็ดเดียวปตจิบัติไม่เลิกดูออกไหม <c oughs> มันจริว่าไม่ต้องมาดูมันถลบมลงไปมันถล่มลงไปรู้มันไม่ใช่ราลรู้แล้วมันจมลงไปเรียบร้อยเหมือนโยชงโงกอยู่ในบอ่อน้ําท่างบอกชงโงกจนหัวจิ้มลงน้ำไปแล้ว นะเราก็รู้มีน้ำมีสิวหัวจมน้ำแนละ้วส<ด>ังเกตไหมว่าจะจะลงบอออยู่เลยเออนะอัดดูอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้จงใจทำนิดเดียวก็หัวที่บ่อลงไปเลยดูบ่อที่ออกเรื่อง <c oughs> มันจะมุดลงตลอดเลยล <c oughs> <c oughs> มันต้องทำในที่ต่างสมบูรณ์มากๆเลยหน่อยเราไม่ต้องไปเรียนที่อื่นนะถ้าไปเรียนสมรติมาหยิบชดไล่ออกจากสำนัก <c oughs> <c oughs> ที่เกียรแก้ให้โยนทิ้งไปให้หมดนะจะเอาให้ได้ก็โยน ทิ้งไปแล้วไม่ต้องไปเรอีกแล้วตาานพอไหมคนอ่ไปรู้เรื่องกันหมดแล้วเหือเราคนเดียวก อ, อางี้อันนี้ก็ว่าอย่างนี้อรองอันนี้ก็ว่าอย่างงี้อรองอีกหน่อยนะพี่ก็ว่าอย่างนี้มันดีตว <c oughs> ่ารักรักทำแล้วสักเดือนนึนะง น, นะไ น, <c oughs> นไม่ไม่คนีนหนว่าทํานไต้องนาน <c oughs> คือถ้าเมื่อไร่ขาดสติไม่นั่นผิดแล้วนะไม่ต้องเดือนหนึ่งหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกตัวถูกต้องเจ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีอะไรนี่ต้องเห็นผลไม่ชอบคิดว่าการปฏิบัติคือการทำอะไร้าย่ยางงั้นคนขาด้วนเรื่องานาไม่ได้เดินไม่ได้ บางทีก็ต้งเปลีทางไหนทําแล้วมีสติสัมปชัญญะเอาเลยมึงไม่ลองไปทําอย่างที่เขาบอกตีหัวทิ่มบอกก่อทุ่นเกล็ดถลํา ล, ลงไปแท้ๆเลยแล้วก็ลงไม่แช่อยู่แล้วบอกว่าดีเนีย่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะดีชื่อๆได้ทั้งวันวทื่อๆอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์ได้เหไหมจะลงอีกแล้ว ปเปรียน ก, กับคุณสุรบัตรกชอบไปเรียนกับคุณอื่นๆงั้นมั <c oughs> นก็จะเลยเกิดตัวเลยทำอะไรเนื้อมีสิบบตมรมหโยนั่นแหละเราแหละจะจะต่ออะไรจะ พอเาะ้กา um, mm. ู้รประโยชน์คะจะเห็นเห็นการไหวข้างในเือนมคอาตรงนี้จะไปรื่อยๆแต่แต่ขนานั้นเเราไม่ได้ใส่ใจว่าตรลยแต่ว่าตมท้องงว่ามสุ่กับว่า แล้วมันเกิดมันเกิดควาทุกรงนี้่ะมัมแต่ว่ามันก็มันก็ทายาค่ะคือทำไงเราจะสามารถเข้ารู้อย่างนั้นดีแล้วนะรู้ได้ดีแะรู้ได้ถูกรู้ได้ละเอียดแต่การรู้ของเราทำไงจะรู้สบายรู้จริงจังไม่ดีต้องรู้เหมือนรู้เล่น เพราะว่าจิตที่เคร่งเครียดไม่ใช่กุศลจิตหรอกเมื่อกี้มันเกิดว่ามันมีความไม่กบางอย่างว่ามันเป็นขามนขเดียวทาไมมันขนาเดียวเพราะว่ามันเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะงั้นการรู้สึกตัวให้มารู้ทีลักษณะทีลักษณะแต่ทำขนาดนี้ให้เกิดบ่อยๆวิธีทำให้เกิดบ่อยๆก็คือให้รู้บ่อยๆ ไม่ใช <c oughs> ่ทาอะไรขึ้นมาถ้าทำแล้วไม่เกิดอยากรู้สึกไปบ่อยๆเราเราควรรู้สึกตรนางดยว่ได้ัไมแล้วหรอต้องการการที่ไม่เกบาือก็รบ กั S <S นนะแบบรู้ไปแบบนิดต่อไปฝึกมากๆเราก็จะรู้ว่าตรงที่ไม่มีน้ำหนักเนีเ่ยเกิดจากการที่รู้แต่ไม่ได้จงใ จ, จาการรู้ ด้วยควาากด้ความเห็นว่าอย่า ง, า um. างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีมันก็หนักขึ้นมาทุกมันเกินแต่ถ้าเมื่อไรสามารถรู้สภาวะตาที่มันเป็นไม่มีน้าหนักแต่ไม่ใช mm ่เบานะถ้าเบาหิ้วขึ้นมาเนี่ยเบา ดีแล้วล่ะฝึกพื้นฐานมาดีนะคือตัวที่ทำ่อบปนี้เพิ่มขึ้นมาจากที่เรียนไว้ก็คือทำให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าเปจกใจนะพอจะดูออกไหมเพื่อที่เราทำแล้วมันหนักหนาแน่แนเพราเราทำเล่นตนะัหาเรายากปฏิบัติก็ทำเอาเราไม่ทำนิษพานนี้ไม่ทำเอาเตียรู้สึกเรา ใช่ใช่ไม่เหมือนกนะันะตรงนั้นที่กั้นเราอยู่กั้นเอาไว้จากนิพพานาตัวจิตมาวันนี้เรียนตรงนี้เข้าใจแนละ้วก็ได้ไปรโยชแล้วะโยทำารโยรู้สึกไหมว่าจิตตรงนี้มึกบานขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยรู้สึกไหม เนรู้สึกไปรู้สึกเฉยเยมันจะเป็นไงก็ได้นี่ตั้งใจรู้สึกแล้วใช่ไหมตั้งใจรู้สึกมันดับไปแล้วอย่าเป็นจิตที่ถูกนอย่าจํามันนะไม่ต้องไปจำมันว่านหน้าตาเป็นยังไงมันคนพอรู้สึกขึ้นมาแล้วพยายามจำมันจำไม่ได้ทําไมถึงจําไม่ได้เพราะมันดับไปแล้วมันกลายเป็นจิตที่มีโลภคืออยากจําให้ตัวนหนึ่งเราก็พยายามไปจําจำอะไรไปจำผิดตัว เป็นจำให้ตัวที่มีโลหะแข็งแข็งอีกแล้วรู้ไหมเออเห็นไหมตรงรู้ทันเนี่ยฉีดเบิก บ, บาดไม่มีความแข็งไม่มีน้ำหนักเป็นกอ็งผิดก็ผิดถ้าไม่อยากเป็นแข็งก็ผิดดีเพราะฉะนั้นรู้สภาวะทุองอยากตามที่มันเป็น ไม่ทําอะไรไม่มีคําว่าต้องไม่มีคําว่าห้ามเป็นไงใจรอยสนุกไหมดูออกไหมไม่ใจรอยเออได้ไหนได้ใจลอยหลงได้ไหนเราแต่หลงแบบรู้เรื่องคิดแล้วเรารู้เรื <mann> <anti> ่องที่เราคิดมันก็คล้ายๆเราฝันแล้วเรารู้เรื่องบางทีก็ฝันไม่รู้เรื่อง ก็ฝันรู้เรื่องฝันันก็คือความคิดต่างหลับความคิดมันก็คือความฝันตอนที่ตื่นเพราะฉะนั้นอย่างนั่ง น, นะก็นั่งคิดไปเรืเ่อยๆเรีเยกว่าคนนั่งฝันร่วมฝันตลางวันไม่รู้สึกตัวง่า้สองคนนะทั้งน้องโยทั้งพี่สาวแข็งเงินกันแล้วเนี่ยจริงๆ ไม่มีน้ำหนักแลวพยายามรู้สึกให้มันเกิดบ่อยๆนะทำมากๆถึงจิดหนึ่งก็จะเห็นว่ารูปนามอะไรนี่เป็นสภาวะธรรมที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ตัวตนอะไรหรอกไม่ต้องไปคิดนำนะเป็นติ๊กที่าควาทุกข์ที่เหมืนกับมรนมีเ์ที่เราอกรู้อย่างไม่ได้มีเคยไม่ได้เคยถาม แเปฏิสมุปบาทืว่าเิ um> ัะจัยมเรากอยากจะ้อา่านก็ยังไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอว่าอยากรียนอยากรู Sup ้ก็ต้องเจริญสติเอาเลือคนที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือพระโสดาบันเท่านั้นต้เป็นตารียะเท่านั้นถึงจะเห็นงั้นเรายังไม่เห็น ถ้าเราไปคิดเอาเราได้ความคิดเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ความจริงถ้าเราไปอ่านเอาเราได้ความจำเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทความคิดและความจำไม่ใช่ความจริงอยากเห็นความจริงรู้ตัวไหมรู้รูปรู้รนามไปเหมือนกับคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นตอน้องขึ้นต่อขั้นตื่นอะไรแล้วคะ ก็เสายก็ต้องมีความยาใ่อืม่เื่อต้นเนี่เวลาเราหัดจะเริ่มสติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปฏิจใจสมุปปาทั้งปลายเนเช่นมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเราก็ถลักลไปมีตัณหา อามณ์แบบนั้นไหมกำลังนั่นดูแล้วลก็บอกกําลังปฏิบัติกรรมฐานอยู่รจริงๆต้อเกิดตัวเราผู้ปฏิบัติขึ้นมาฝึกหัดใหม่ๆก็จะเห็นตรงนี้ว่าความทุกข์มันเกิดจากความอยากเห็นไปเรื่อยๆส่วนอวิชชาปาัญญาสังขาราหรือเห็นญาติอวิชชาเนี่ยความไม่รู้อริยสัจนึกเอาไม่ได้ไม่รู้อริยสัจนี่เช่นว่าอะไรบ้างไม่รู้ไม่รู้ทุก ไม่รู้สมุทยัยคือไม่รู้ว่ า, าอยากบรรทุมจิตกําลังพยายามอยากอยู่พยายามไปทางไหนบ้างพยายานไปปช่องตาโอ้ตัวหมุนแกงใจเรียกว่ามีรูปปัญหาทยายามไปหารูปจนถึงทำตัญหาทยายามก็ไปหาธรรมนุนไม่รู้อย่างนี้จิตก็จะเริ่มสแสวงหาไม่รู้จากสภาวะที่พ้ น, น, าพนาจากปัญหาพ้นจากควัฏจัก ไม่รู้หลักของการเจริญสติก็จะเพ่งเอาคิดเอาอย่างนี้นก็คือไม่ไม่รู้อริยสัจความที่เราไม่รู้อริยสัจทนีจิตของเราก็เริ่มมีโลภะขึ้เกิดเจตนาเช่นพอเราอยากปฏิบัติเราไม่รู้ว่าการลงมือปฏิบัติจะนำความทุกข์มาให้ลงมือเพ่งลงมือจอ้อจะนำทุกข์มาให้ไม่รู้ตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ ถ้าเกิดเจตนาที่จะปฏิบัติขึ้นมามีเกิดเจตนาที่จะปฏิบัติเจตนาตัวนี้เป็นโลภะเจตนาไม่ใช่เจตนาบริสุทธิ์เรื่องหลังคืออยากนั่นแหละเพราะฉนั้นอาวิชาก็เป็นปัจจัยของตัวโลภะเจตนานะโลภะเจตนาตัวนี้โลภะที่ชั่วก็ได้อยากไปทําชั่วก็ได้โลภะที่จะไปทําดีก็ได้เพราะฉะนั้นตัวความดีก็รากเน่าก็มาจากความไม่รู้นี่เหมือน อกุนสนเป็นปัจจัยของอกุนสนก็ได้ไม่ใช่ว่าอกุนสนต้องทําให้เกิดอักุนสนเสมอไปอย่างอักขุนสนของเราเนี่ยความไม่รู้แจ้งแทนตลอดอริยศาสของเราเทําให้เราขยันปฏิบัติกําำหนดใหญ่เลยเพ่ง ใ, ใหญ่หญหญหเลยตะลุยเลยหนักขึ้นมาหนักก็ทุกนะทุกก็อุตสาห์ทนอีกแนะอุตสาห์ปรอบใจเราจะร่วมทุกด้วยความเกลียดไม่รู้หรอกว่าสร้างขึ้นมาเองหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งนะ เราละเลยที่จะเรียนธรรมดูยากเขาเกิดเจตานาขึาา้นมาเจตานาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างเจตานาจะปฏิบัติเป็นเกณฑ์ว้าเราเริ่มสแกนเริ่มหาว่าจะดูอะไรดีในในกายในใจเราจะดูอะไรดีพอเจออะไรไนดะ้ไหวิญญาณคู้ความรู้สึกความรับรู้ท่อย่างลงไปที่ตรงนั้นเนี่วิญญาณมอย่างลงไปแลวิญญาณอย่างลงไปเกิดรูปธรรมานม า, ามธรรมขึ้นมาเกิดอายตนะขึ้นมา มีขัานทาอายตนะหกอะไรขึ้นมาครานนี้ก็เอาไปกระทบอารมณ์เกิดตัณหาอุปาทานพวชาติขึ้นม า, จ, าจริงจะสบายจริงๆคิดเอาไม่ได้เข้าดูให้เห็นเระทั่งว่าตัวเจตนาที่ฝุดขึ้นมาในใจที่จะปฏิบัติเจตนาทำบาปง่นย ง, ง่ายเจตนาที่จะปฏิบัติแล้วให้รู้ทานแล้วข้ามมันไปได้นีออย่ยากใจไม่ถึงเนโะย มันน่าสยดสยองธรรมะช น, มนิดนิด เข้าใจไม่ได้ด้วยกันฟังนะเหมือนอย่างเชืยอรู้จิตปรมาจตเนี่ยรู้ไม่ได้ด้วยกันฟังนะเหมือนกันเ้ารู้ลงไปเลย <S <S นะปฏิจจสมบัติมันเป็นกระบวนการเป็ น, ก, นกลไกพัฒนาการที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสังเกตลงไปในตัวเองเลยความทุกข์เกิดอย่างไรเข้ารู้ลงไปก่อนที่ความทุกข์จะเกิดสังเกตไหมว่าจิตต้องทยาน มีความพยายามอยากในทางตาหูจมูกมิ้วแกใจก่อนแ่หัหันดูตรงนี้ไปบ่อยๆ อ, อย่างพอลงมือปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติถึงเห็นไหมพยานเม้ทานใจแล้วก็ไปกาะพบขึ้นมาแล้วก็ทือท่อๆอย่างนั้นทือท่อๆไม่รู้รอรู้หนาวอะไรเนีเย่ยนั่นเป็นกบคุณจบชนิด่ตอนที่ ตองรู้หล้ะตอนั้นควานนมรู้ว่าาเดีลติดโยมไทิ้งมันเป็นอดีิ้งมันปให้หมดเลยเราอยาไปหาความรู้ด้วยวิธีนั้นนะให้ให้เจริญสติไปแล้วมันประจ่กตัวมันเอง <tem ân> ไม่มีใครรู้ปฏิจจสมุปบาทได้นะถ้าไม่เห็นธรรม เพราะฉนั้นเราทำต้นทางของการเรียนรู้ทําเห็นธรรมท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำสติสัมปชัญญะไหมสติทําง่ายนะสติสัมปชัญญะยากสติทําง่ายคือนั่งเช่งนั่งจ้องนี่ก็มีสติแล้วไม่เผลอไปที่อื่นมีสติแล้วได้สมถะมีมสติสัมปชัญญะคือรู้สํรารวา่าที่ปรากฏด้วแล้วเข้าใจด้วยไม่รู้อย่างเดียวรู้แล้วเข้าใจ กีจกเกิดปัญญากงันเหมือนกับแรงของการผ่านที่ะนั้นเต้องมีงตัวที่รอ้องมิดวที่เนมีาการวรู้ว่าผมก็นดีแล้วล่ะี่เด็นีตรงที่เราไปรู้ว่าก็อ ย, าย่าปอยากาายนะอย่าไปยากตอนแรกจะรู้สึกว่าไม่ดีเลยอัอเไหนอเู้สึกว่านี่ เรื่องหันใจนั้นซ้อนๆเลยมันซ้อนอยู่แล้วว่าว่ามันเกิดดับเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องไปแต่เราไม่ใช่ไปตื่นเพื่จะรู้อะไรที่หยุดนิ่งถ้าเราไปตื่นความรู้สึกเอาไว้ในสิ่งที่หยุดนิ่งเนี่ยเราจะตกไปสู่อดีตเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราขับรถมาจะเห็นค่าพบรรากฏถ้าสติหันก็คือรูปดับคนละดับ สติไม่ทันสัญญาแปลคนขับรถตัดหนะ้ามูกแนะคิดทําไม่ถูกนี่กำคิดอยู่ถ้ารู้ทันว่ากำลังคิดอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันอีกโกรธแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ไปตัดข้นอยากตัดขืนนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติความโกรธเกิดขึ้นไม่เห็นความโกรธให้ความโกรธไม่ดีอยากละความโกรธนี่รู้ทันเนละให้ตัว ที่เห็นเขากับรถปาดเป็นอดีตที่ไกลมากแนละ้วหลือความโกรธก็เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบนันคืออยากให้หายโกรธอย่รู้พันปัจจุบนัน mm hmm. อย่าไปครึงความรู้สึกไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มันนิ่ง mm hmm. เช่นไปนึกถึงเนดะ่ว่าภาพที่เขาปาดตอนนี้มันแค่รูปนะไม่ใช่คนอรอี๋ย่าไปโกรธมันเลยมันเป็นรูปเดีย๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเลยเป็นสมรถรคา เรู้อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันก็เกิดตลอดเวลาดับไปเกิดดับไปดับทียิ่อยู่เกิดทางตาแล้วก็มันเกิดที่ใจเกิดทางหูแล้วก็มันเกิดที่ใจหรือบางทีไม่ได้กระทบทางตาทางหูเกิดที่ใจเลยตรงๆก็มีบางอารมณ์ที่อ่อนๆนนกระทบต า, ากระทบหูแล้วดับไปเลยไม่เข้าที่ใจเลยก็มีเป็นการเห็นรูปที่ไม่มีสาระเหมือนๆไม่มีอะไรสนใจแล้วดับไปเลย นิโยทําอะไรตอบทิ้งตอบให้ชื่นใจด้ยจะลองลองเนี่ยไม่ใช่รู้แต่เป็นรองเข้าใจไเราทําอะไรที่เกินจะรู้แล้วก็ไม่ใช่สิอบอกแล้วมีเบิร์กตัวเดียวคือรู้เนี่ยคอยเช็คเลงเลยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่เดี๋ไม่ต้องให้หลวงพ่อถามถามวิ่งเลยทำอะไรเนี่ยหมอกําลังลองดูอยู่ว่าจะเอาอะไร ทำอะไรเขากำลังเท้งอยู่ทำอะไรเขากำลังคิดเลือเลยนทันรู้ทันแต่เรืเร่อยๆทำอะไรได้ไหทำอะไรได้ทั้งหมดเลยแต่ต้องรู้ทันไม่ใช่ห้ามไม่ให้ทำอะไรเลยนะทำอะไรก็ได้แต่รู้ทันไม่ได้ทำแบบถลับไปงงง่ายเลยจำหลักได้ไหม มันเรียนยากนะเพราะมันลองไม่เลิกก็จะได้มันหาไม่เลิกมันดิ้นรนเลยเกนะินบางคนนะ่มันเรียนง่ายพอบอกให้ดูก็ดูเลยรู้ปรมามัดไปเลยรู้สภาวัไปเลยบันคนบอกให้ดูนะไม่ได้ออคิดก่อนหรือเอ๊ะก่อนจะรู้เนี่ยมันต้องอมีกระบวนการอะไรสักหน่อยนะรู้เฉยๆดูน้อยไปมันง่ายเกินไป กระบวนการเช่นต้องไหว้คูบ ก, ก่อนจ ะ, จะเจริญสติเนี่ยต้องไหว้พระสดวนกัอนนะไหวเสร็จแล้วอธิษฐานกรรมฐานอีกเนี<ม>่ยข้าพเจ้าจ ะ, จะเจริญกรรมฐานบูชาพระรันตนกรายบูดมบ่มินซีปุ้ยส่วนไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะยังไม่ได้จเจริญเลยเนี่ยเอาละเสร็จแล้วอ่ะต่อไปนี้เฮ้ต้องทำสมบัติ ก, ก่อนสิถึงจะรู้ตัวได้ทำสมบัตทั้งหมดเวลาวันนี้นอน <laughs> ชีวิตนี้ทำไมมันทำหน้าเศร้าขนาดนั้นเนาะถูกก็ตาโกรธรูว้ว่าโกรธทำเสร็จแล้วเอใจมันแอบไปลองรู้ว่าลองอปฏิบัติเรียบร้อยแนละ้วถูกต้องแล้วด้วยมันง่ายจนยากง่ายจนเรานึ่งไปถึงเราคิดว่าต้องทำอะไรที่ยา ก, ยาก สงคนน an, ั้นมาจากไหนกันรอเลยมาดูกับใคฟฝึกมาจากไหนบ้างจะเรียนมาจากสำนักไหนกันลืมไปแล้วสาวคนเนี้อืออืออ่าจะถามอะไร อือนะเราเป็นปฏิบัติโยมพระมันก็หนักอ่ะนะเราจะมีคิดว่าการปฏิบัติธรรมรือาการเท่าพอสิ่ง <c> ใ <oughs> นคลิปสมัยการปฏิบัติธรรมก็คือาตามันเห็นรูป ก, ก็รู้ทันเลยรู้สึกตัวไว้ไม่เผลอไม่หลงถ้ามันหลงละหลงก็ไม่ว่าหลงแล้วเรีบรู้ไว้ใว้ว่าหลง โอได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกนี่ปฏิบัติได้หมดแล้วนะอย่างเดินเดินอยู่เห็นตอไม้สวยใจชอบรู้วชอบนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วกําลังสวยสวยอยู่เหยียบกิ่งกืกอก็รู้สึกขยัแขยงรู้สึกขยันขยันนี่รู้สึกเรียบร้อยแนละ้วปฏิบัตินะนะแล้วเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรอย่างหนึ่งที่แยกออกจากชีวิตจริงๆของเรา เราเห็นาการปฏิบัติธรรมคืออีกสิ่งหนึ่งที่แยกจากชีวิตปกติแล้วก็เราไม่เข้าใจการปฏิบัติหรอกนะ แ, แล้วอีกห่างไกลเลยการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตจริงๆนี้แหละไม่ใช่เหมือนนักมวยนะักคระบางกขังแกงเอาโชคๆชคชแกงเอาเลิกเอานี้แกงเอ า, เาคอเจ็บมาแก้งเลิอกนะ <c oughs> อย่างเงี้ไม่ได้ผลหรอก